หกสิบเจ็ดสามวดสชวดีสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสองกุทุนิเลบิทินนอทวัลซาเเลบิมอเลกุทุนิเลบิทินนอทวัลซาเเลบิอร แว่นตาซาทวเเขาลืมแว่นตาของเขามัสทาวิเมัสทวิซิซาทวเเขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหนซาอามาวทวซ อาก s m a สท tavisi s a t u a l นาฬิกาสาธิสาธิาธนาฬิกาของเขาเสียมิสิสาธิกัพุชดามิสิสาธิกัพุชดานาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง สัตย์ทีเคารพสิทธิ์ยามียหนังสือเดินทางพาสปอร์ติพาสปอร์ ต, รตเขาทำหนังสือเดินทางของเขาหายมันทาวิศิพาสปอร์ติทากากามันทวิซพาสปอร์ติ ตาการ์กาแล้วเขาเอานังสือเดินทางไว้ที่ไหนซดอากสมสทาวิซัสรตีซดอากสมัสทาวิซิปัสปอรตีวรตพวกเขาของพวกเขาอีสินีมาทีอีสินีมาที เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ Pavševi ver o l o e n taviat m š o b l e p s p a š e i ver oloven taviat m š o b l e p s แต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว Magram a อ matimšoblebi mudian Magram ay matimšoblebi <Mod> คุณของคุณทวทควทวท ก, การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิวเลอร์รเกอร์อิมกซารต์ปะวเลร์ โ, โ, ลรโรเกอมกรตตโนมิวเลอร์อ ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิวเล ER. อร์โโ ER. s a a r i s t w e n i t s o l i a t o n o Miler. Sat a r i s t w e n i t s o l i b a t o n o Miler. คุณของคุณ t w e n t w e n i t w e n t k e n i การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธรโกรีกอดควีนิมุกซาอูร์คร gori i ีกอดวีนิกซาอูร์บาคาลบัตตโนชสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธสาดอาริสีัซาดอาริสควีนิคมาริ Kalbatono Schmidt